พูดถึงในเรื่องของจักขายาตนะโสตญาตนาคานาญตนาชิวหายาตนากายายาตนาแล้วก็มานายาตนาอันนี้เป็นอายตนาภายในใช่ไหมแล้วก็อายตนะภายนอกก็รูปายาตนะศรัทธายาตนะคันธายาตนารัษายาตนาโพธายาตนาแล้วก็ธรรมายตนาจักขายาตนะก็หมายถึงแดนติดต่อก็คือตา ตากรหมายถึงประสาทที่รับรู้ต่างๆอยู่ในลูกเดตาบางทีก็เรียกว่าจักรครูประสาทโสตายาตนากรหมายถึงแดนติดต่อกันทางหูหูก็หมายถึงประสาทที่รับรู้เสียงได้อยู่ในช่องหูก็เรียกว่าโสตประสาทธนาคาระคานายาตนากรหมายถึงแดนติดต่อกับเยโมยเยโมก็หมายถึงประสาทที่สูดกลิ่นอยู่ในช่องเมูก เรียกคานาประาทใช่ไหมอยู่ในช่องย ม, มงุถ้าชิวหายาตนาก็หมายถึงแดนติดต่อคือลินล้นลิ้นหมายถึงประสาทที่ลิ้มรดได้อยู่ที่แผ่นลิน้นเรียกว่าชิวหาภระสาทใช่ไหมกายญายตนาหมายถึงแดนติดต่อคือกายกายหมายถึงประสาทที่รับสัมผัสทั่วกายเลยนะยกเว้นช่องพวกประสาทเหล่านั้นทั้งหมด เล็บมือเล็บเท้าที่หนังานาทั้งหลายไม่มีนักนั้นมีเขาเรียกว่ากายภาษานี่เป็นเป็ น, ปนต้นมานายัตนาหมายถึงแดนติดต่อคือมณะมณะคือใจใจก็หมายถึงหมายถึ ง, ถงจิตนั่นเองใจในที่นั้นหมาอันนี้ก็ยกเว้นในตัวไอ้มานายัตนาเนี่ยหมายถึงจิตทั้งหมดเลยจิตทุกประเภท นี้รับรูปสีเสียงกินรสรับได้สิรับได้ก็เป็นมานายทะนะจิตทั้งหมดชื่อว่ามานายทะนะจิตแปดสิบเก้าร้อยิบอ็ดเป็นมานายทะนะหมดเลยจิตจิตทั้งหมดมันก็มันจะตัวจักคุญยานก็เป็นมานายทะนะใจคือจิตพปลี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจักคุประส萨ศ รูปารม์จากกูอินยานนะจากกูภาษาเป็นจากขายาตนะรูปอารมณเป็นรูปายตนะจากกูญาณเป็นมนายตนะอริยตาสามอริยตะเนี่ยเชื่อมกันเนี่ยไอตัวตัวภาษาเป็นตัวเชื่อมให้ให้มางไปสุดดึงดึงให้ให้มีการกระทบกันนะไอคำว่าบัญญัติภาษาจึงบัญญัติขึ้นก็นเพราะอั น, นมีตัวเชื่อมที่อาจจะต่อก่อน ทีนี้เป็นอายตนะภายนอกภาษาพากเรียกพาหิระภาหรายตนะหรือภารายตนะอายตนะภายนอกก็คือแดนติดต่อคือรูปรูปายตนะรูปก็ได้แก่สีที่เห็นด้วยตาประกอบหมายถึงเป็น น, นี่เปิดเผยรู้ถึงความรู้สึกที่มีอยู่ในใจนีเปิดเผยรู้ถึงความคิดหรือมีความหมายผันแปรแตกสลายก็หมายถึงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดแล้วก็ดับไปตามเหตุปจัจจัยนีย พระเจ้าตรัสบอกว่ารูปของสัตว์ทั้งหลายย่อมสุดโทมอัตตกะถาก็ขยายบอกว่าคนเราเนี่ยผ่านชีวิตอายุมันเพิ่มขึ้นแล้วก็นำมาสู่ความเสื่อมเนาะโทมทั้งร่างกายก็ปรากฏความแก่ชรามากขึ้นตามลาดับจากผมดำเป็นผมขาวจากผิวเต่งตึงก็เป็นผิวเหี่ยวย่นเนี่ยเป็นต้นเนี่ย และก็ตายในที่สุดเป็นไปตามสภาวะท่านยังเก่าวรูปทั้งหลายย่อมมีการสุดทรงสุดทรงถ้ารูปจริงๆก็คืออรูปอารมณ์แต่ถ้าอารูปารมณ์เป็นรูปายตนะไปส่วนแดนติดต่อคือเสียงเป็นสัทธายตนะได้แก่เสียงที่ได้ยินภาวะใดย่อมกล้องเหตุ น, นั้นภาวะนั้นเชื่อว่าสัทธะเสียงก็ไมายถึงภาวะที่เปล่งนั้น แด น, นติดต่อออย่างหนึ่งก็คือกลิ่นเป็นคันทายะตนะกลิ่นได้แก่สิ่งที่สูดได้ด้วยจมูกภาวะใดย่อมพุ้งตรบเพลนั้นก็เรียกว่ากลิ่นเนาะที่สอที่ตั้งของคนแด น, นติดต่ออย่างาาก็คือรสก็คือรสเนี่ยรส า, ายะตนะได้แก่สิ่งที่ริ้มได้ด้วยลิ้นสัตว์ทั้งหลายย่อมชอบลิ้มลองความว่าย่อมชอบ ใจธรรมชาตินั้นเหตุ น, นั้นธรรมชาตินั้นเรียกรสะรสะก็คือรสช่อมติดรสกันมาเยอะนดีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มทั้งหลายเหล่านี้บางทีถ้าเจอในธรรมะบางทีก็ว่าสัรพรสสังธรรมะรสโสชินาติรสแห่งพอที่ปักทก่ยธรรมชนะรสทั้งปวง รสแห่งพะนิภานชนะรถทั้งอพลิงทำไมชนะอยู่ไงรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสฝารสมันรถของคันธชาติหรือว่ารถที่เกิดจากจากรากจากใบจากก้านจากผลหนึ่งคือรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้สัตว์จมอยู่ในสังสารวัตรรเหล่านี้จึงไม่ดีจริง ่ธรรมรสคือโพธิปักก์ยธรรมโอ้ดื่มดำไปแล้วเนี่ยพ้นจากชาติทุกชะาทุกปยาทุกแต่นึงวอกรสนี่เองธรรมชนะรสทั้งปวงแดนติดต่ออย่างหนึ่งก็เรียกผัสสะทางกายกาเรียกโพธพยาตนะโพธพยาไดแก่สิ่งที่แตะได้ได้กายมากระทบกายอายะเนี่ยบอกเกิดธรรมชาติใดอันสัตย่อมถูกต้องธรรมชาตินั้นก็โพธพา ้ดนติดต่ออย่างหนึ่งก็คือเป็นทางด้านใจนะเขาเรียกว่าสภาวะรือสภาพธรรมเหล่านั้นเขาเรียกธรรมยายตนะเพราะเหตุนั้นน่ะอยายตนะเนี่ยกิเลส ท, ทั้งหลายป่ปันจะสัญญาป่ปันจะทำเป็นต้นเหล่านี้กิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านี้เกิดความที่กิเลสเหล่านี้ อาศัยอายตนาเนี่ยกระทบกันสัมผัสกันกิเลสทั้งหลายแม้เมื่อจะเกิดก็ย่อมอาศัยอายตนาสิบสองนี่แหละอาศัยอายตนาภายในหกภายนอกหกเกิดขึ้นแต่เมื่อจะดับก็เพราะก็ดับเพราะอายตนาสิบสองเท่านี้แหละถ้าอายตนะเหล่านี้ไม่มีไม่มีการเชื่อมต่อกิเลสมีไหม กิเลสก็ไม่มีใช่ไหมกิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ใดมันก็ดับในที่นั้นนั่นเองด้วยประการะเะนนี้บัณฑิตท่านจึงแสดงเนื้อความนั้นด้วยปัญหาในสมุทัยสัจจะนี้ถ้าเราดูในอาญตนะอาญาตนะในนิวรณ์ท่านก็จะพูดถึงใช่ไหมกิเลสมันอาศัยการเชื่อมต่อจริงไหมล่ะ อ่ะเวลาเวลาคนยังง่วงเนี่ยอาศัยอายตนะอะไรกับอายตนะอะไ ร, รกิเลสอะไรที่ทําให้หงอยเหงาเศร้าซึมแล้วง่วงซึมเนี่ยทิน้มิถาทีน้ำมิถาใช่ไหมมันอาศัยอะไรอาศัย ใ, ใจทีน้ำมิทาเกิดขึ้นกับจิตหอดับหอมกับจิตมันไม่ได้ใสใมม่มันอยู่ในมโนมันมันายตนะ พอมันเกิดความหดหูในการเห็นในการได้ยินในการได้กลิ่นในการลิ้มรสในการสัมผัสในการคิดนึกเนยมันหดหูมันท้อถอยไม่กระตือรือร้นใช่ไหมมันก็เลยน้อมในการที่จะไม่มานาสการไม่ใส่ใจในการที่จะไม่ใส่ใจในการที่จะกเกลี้วกล้าไม่ใส่ใจที่เกิดมันก็หดหูเพราะหดหูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกิเลสตัวนี้มันเข้ามากุ้มรมจิต ทำให้โหดถูท้อถอยใช่ไหมทําให้จิตนั้นอ่อนกําลังลงแล้วไหนเจอจริงจริงก็ลงผวางวิถีจิตเนี่ยการเมื่อมันเกิดขึ้นตอนที่อยู่ก็การกระทบการลมแล้วมันไม่ตื่นเต้นแล้วเสร็จแล้วคำว่าลงผวางก็คือหลับเนี่ยคือลงผวางยาวไม่ขึ้นเลยก็ใช่หรือมันจะขึ้นมาก็ได้ถ้ามันยังหงอยเหงาเศร้าซึมก็ <c oughs> ขึ้นมาก็ฝันไปทั่วไปเรื่อยใช่ไหม เคยไหมอาการภาวะอืดอัดอย่างนี้เกิดที่ไหนจ๊ะทีนจริงจรทีนันมีธาจริงๆมันเกิดในชาวนาเลยชาวนามันเกิดทั้งหกทวารแต่จริงๆก็คือทางมันหกทวารเทอมันมีพลังมากหน่อยอย่างนี้เป็นต้นทีนั้มีธาเป็นสัจจาเลยที่จริงตัวที่จริงตัวเขาเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยโดยฐานโดย โดยเคร่งครัดจริงๆก็อยู่ในฐานะเป็นทุกขสัจจะแต่ด้วยการที่เป็นกิเลสก็เลยจัดลงในพุทธสูก็เลยจัดลงเป็นสมุทัยสัจจะเพราะก็เป็นเหตุแห่งการวิบากทยเกิดใช่ไหมได้ตรงได้ตรงเพาว่าเป็นเจตสิกเป็นอะไรเป็นทุกขสัจทุกขสัจเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสมุทัยสัจจะเนี่ยโดยตรงของเขาถ้าได้มุ่ถึงตัวสภาวธรรมจริงๆเนี่ย แต่ด้านพระพิธรรมท่านจัดถึงโลภะษตัวเดียวโลภาเจสิกตัวเดียวยใช่เจสิกที่เหลือกลายเป็นทุกขสัจจะหมดเลยใช่มไหมล่ ะ, ะก็เป็นทุกขสัจจะแต่ในยพสูตรในยพระสูตรเ น, นี่ยวิชาตัณหาอวตานสังขารและกรรมใช่ไหมอ<ม>ย่างนี้เป็นสมุทัยสัจจะ แล้วก็กิเลสทั้งหมดเหล่านี้ก็จัดลงในสมุทัยสัจจะนี่โดยโดยโดยโด ย, โดยพระสูตรอ่นานํนไม่พระสูตรกับพระวิธรรมยังมีความต่างกันอย่างนั้นคือต้องการชี้เห็นถ้าจั ด, จ, ดจัดโดยองค์ธรรมแท้ๆเลยนีนยนย่ทุกขสัจจะได้แก่โลกยา 81, จิตแปดสิบเอ็ดเจตสิกห้าสิบเอ็ดเว้นโลภารูปยี่สิบแปดนี่เป็นทุกขสัจจะ ส่วนสมุททยาสจัดได้แก่โลภะเจตสิกใช่ไหมส่วนมรครคสัจจะได้แก่องค์มรรคแปดในมรรคจิตสี่ส่วนนิพพานก็เป็นนิโรธาสัจจะเนี่ยจัดแบบเนี้ยแบบเป๊ะเลยในจัดแบบเนี้ยนีนย่าของพระพิธรรมท่านในย่าของพระสูตรโอพุทธ ส ม, สมุทกสัจจะสมุทญาสัจจะนี่พูดหลายเนยานมากอาวิชาตัณหาอุปาทานสังขารและกรรมเป็นสมุทยาสัจจะทีนี้พอพอไล่าตามหลักปฏิจจานอาวิชาปัจจญาสังขาราเนี่เป็นธรรมที่เกิดในพบก่อนนี่เป็นสมุทยาสัจจะวิยญยานามรูปสรายตนะภาษาเวทนาเป็นทุกขสัจจะเป็นธรรมที่เกิดในพบนี้ ตัณหาอุปาทานกรรมกรรมปวะเป็นสมุทยาารรมัยสัจจะแล้วก็ชาติชรามวรณะเป็นทุกขสัขาาจรราาจะเป็นธรรมที่จะเกิดในภพนันเนี่ยทวัตตามปฏิจจสุบัทิสิบสองใช่ไหมอตีตาอัตตาเป็นธรรมที่เกิดในภพก่อนคืออวิชชาและสังขารเป็นสมุทยาารรมัยสัจจะเป็นอตีปัจจุ ป, ปันนาอัตตา ธรรมที่เกิดในปัจจุ บ, นบนันในภพนี้ในส่วนของเป็นผลเนี่ยวิญญาณนำรูปสารายัจนาภาษาเวทนาอันนี้เป็นทุกขสัจจะเป็นธรรมที่เกิดในภพนี้ส่วนอวิชชาออขอภยัยส่วนตัณหาอุปาทานและกรรมนี่เป็นปัจจุบันอาาัตาที่เป็นปัจจุบันเหตุอันนี้เป็นสวัสดยสั จ, จในปัจจุบันนี้เป็นธรรมที่เกิดในภพนี้ส่วนชาติชราดมรณะเป็น อนาคตา อ, าาอัตตาเป็นธรรมที่เกิดในอนาคตแต่เป็นทุกขสัจจะมองเห็นอยังง อ, อดีตเหตุเป็นปัจจัยแก่ปัจจบุบันผลปัจจุบันเหตุเป็นปัจจัยแก่อนาคตผลเขาแยกอย่างนี้นี่เขาเรียกปฏิจจสมบัติสิบส <c oughs> องเอาแต่นี้ถ้าทําให้มันครบอาการยี่สิบอันนี้ก็สิบสองถ้าจัดให้เป็นอาการยี่สิบขึ้นมาเขาบอกว่าอวิชาสังขารเป็นออดิตอัตตาแล้วเนี่ยก็เอาตัณหาอุปาทาน แล้วก็กรรมมาบวกเข้าอีกก็เลยเป็นเป็นเป็นห้า เ, เลยใช่ไหมเป็นอดีตเหตุห้าแล้วก็ปัจจุบันผลกล้วิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนานี่ปัจจุบันผลห้าทีนี้พอปัจจุบันเหตุเนี่ยเอาตัณหาอุปาทานกรรมก็เอาเอาวิชาและสังขารมาบวกเข้าอีกก็เลยเป็นปัจจุบันเหตุด<ม>ีห้าแล้วก็วิญญาณนามรูปสารายยตนาภาษาเวทนาก็ไปอยู่ในอนาคตก็เลย อนาคตจะผลทีก็ชาติชรามรณาก็คือวิญญาณหายแก่วิญญาณนามรูปสลายยตนาไหมภาษาเวทนาวิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนานั่นเองเกิดวิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนานั่นเองแก่วิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนานั่นเองเป็นผู้ตายงั้นก็คือเป็นอนาคตจะผลที่หนี่ก็เรียกอาการยี่สิบ <kay fish> อดีตยี่สิบปัจจุบันอดีตห้าปัจจุบันอดีตเหตุหปัจจุบันผลหปัจจุบันเหตุห้าอนาคตผลห้าสี่ห้ายี่สิบไปยังเนี่ยลักษณะแบบนี้เขาว่าไปทีนี้ทีนี้พอดูอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปดูตัวเชื่อมดีๆให้เชื่อมวางว่าอาวิชาสังขาร เป็นอติดาทาจะเป็นวิญญาณนำ้ำโลปสระนะเาเนีไออวิชชาสังขารเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดในภพก่อนเป็นอติดาทาใช่ไหมส่วนวิญญาณน้ำรูปสรยายตะนัภาษาเวทนาเนี่ยเป็นปัจจุบันล้วจะเห็นว่าอาวิไอไอตัวสังขารกับวิญญาณเนี่ยสังขารอยูภพก่อนวิญญาณอยู่ภพนี้อันนี้หรือจะถ้าจะนับอย่างอาการยี่สิบก็ อวิชาสังขารเอาตัณหาอุปาทานนะกรรมก็กลายเป็นอดีตวิญญาณนามรูปสรายยตนาผัสเวทนาอนนี้ปัจจบุบันผลไอตัวเชื่อมต่อกั็ระหว่างสังขารกับวิญญาณเชื่อมต่อระหว่างอดีตต่เหตุกับปัจจุบันผลเนี่ยไอเงื่อนหนึ่งเงื่อนต่อระหว่างอดีตต่เหตุกับปัจจุบันผลอดีตพบกับปัจจุบันพบนี้นี่เงื่อนต่อหนึ่งเนี่ยตัวนี้มันเชื่อมกันอยู่มันถึงไม่ขาดให้เห็นเงื่อนต่อตรงนี้ มันยังไม่ยอมหยุดในการเวียนว่าตายเกิดเพราะมีเชื่อมเชื่อมต่อระหว่างอดีตแตเหตุกับปัจจุบันผลระหว่างสังขารกับวิญญาณมันเชื่อมกันนี่หไหมทีนี้เมื่อมีปัจจุบณณันผลวิญญาณนำโลกสรายยตนาภาษาเวทนาแล้วมันระหว่างเวทนากระตันหาปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุมันเชื่อมต่อกันมันจึงไม่ขาดอันนี้ก็อีกเงื่อนหนึ่งเงื่อนต่อหนึ่ง ที่มันไม่ขาดเพราะมันยังมีเวทนาเป็นปัจจัยกัตัิหาอยู่เรื่อยเลยมันเชื่อมกันติดกันอย่างเงี้ยมันมันไม่ยอมหลุดออกสักทีนี่เงื่อนที่สองเงื่อนที่สามอะไรอะพอบอกว่าปัจจุบันนาเหตุกับอนาคตผลตัณหาอุปาทานสังขารละตัณหาอุปาทานกรรมไอตัวกรรมมาภาวะเนี่ยกรรมเนี่ยก็ไปต่อกับคําว่าอุปติวะหรือไปต่อกับชาติ ไอชาติชรามมาเลยนะนั้นไอตัวกรรมทำกรรมปุ๊บ ม, มันก็มีชาติคือการเกิดต่ออีกอันนี้ก็เงื่อนต่อหนึ่งมันเป็นส่นที่หนึ่งก็เลยมีอยู่สามสามเงื่อนต่อตัดเงื่อนต่อได้เมื่อไหร่ก็นพ้นทุกสินี่มันตัดไม่ได้มันเชื่อมกันเรื่อยเลยแหมนักเชื่อมเนี่ยเชื่อมจังเลยติดกันอยู่เรื่อยเลยหลุดออกไม่ได้ใช่ไหมใน <c oughs> ส่วนของกิเลสวั กรรมวัตแล้วก็มีปา ก, กวัตรเนี่ยค่ะว่านี่ไม่ค่อยเคล่าเท่าไหร่ว่าจะเอามาโยงกับตรงนี้ปัจจุบันอนาคตรื่องอะครับก็ ค, คือตรงนั้นก็พูดถึงวัตตะหมายถึงการวนกิเลสสวัสด์ก็เป็นกลุ่มของกิเลสมีอะไรบ้างอะอวิชช า, าอาวิชชาตัณหาอุ ป, ปาทานใช่ไหม พวกนี้เป็นกิเลสไหมแต่นี้เป็นกิเลสใช่ไหมอวิชาก็โมหะตัณหาก็โลภะอบปาทานก็คือทิฏฐิอวิชาตัณหาวาทานนี่เป็นวนคือกิเลสเป็นวัตตะกิเลสตัวเนี้ก็คือสรุปก็คือราคะโทสะโมหะนี่แหละนี่เป็นกิเลสสวัตวนคือกิเลสวัตตะวัตต ะ, ว, ตะวัดแปลวนส่วนสังขาร ใช่ไหมไอตัวสังขารเนี่ยคือเจดนากรรมกรรมสังขารก็ดีกรรมวัตต่างๆเ็ต้ตนๆก็ดีอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมวัตกรรมวัตคือตัวทํากรรมส่วนวิญญาณนำรวบสรายยตนาภาษาเวทนาก็เป็นวิปากวะก็เป็นผลแล้วก็ชาติชรามดแล้วนะใช่ไหย มันเจอเจะมีว่ากิเลสวรัดรมีสามกรร ม, มวัดก็ให้ไปสองที่เหลืออีกแปดนึงวิญญาณนำรูปสรายัตนะาภาัสาเวทนาชาติชรามรณนะก็กลายเป็นวิปากวัดก็เป็นผลกิเลสแล้วก็มาทำกรรมพอทำกรรมก็ได้วิบากเขาต้องการให้ให้เห็นสายของเขาเองก็ไม่เห็นมีอะไรพิสดารอะไรนี่ มันก็บอกในตัวมันเองแล้วตัวไหนเป็นกิเลสตัวไหนเป็นกิเลสตัวไหนเป็นตัวกรรมตัวไหนเป็นวิบากไอตัว em, นั้นก <tense. S 1> ิเลสในอดีตก็มีกิเลสปัจจุบันก็มีวิบากในอดีตก็มีวิบากปัจจุบันก็มีกรรมในอดีตก็มีกรรมในปัจจุบันก็ดีว่าสามการก็ได้กิเลสอดีตกิเลสปัจจุบันกิเลสจะเกิดในอนาคตกรรมในอดีตกรรมปัจจุบันกรรมที่จะทําในอนาคต วิบากในอดีตวิบากปัจจุบันวิบากจะได้ในอนาคตมันก็เป็นได้ทั้งสามการอยู่แล้วใช่ไหมที่จะถามคืออะไรที่ถามอยากให้เชื่อมโยงตรงตรงกิเลสบัตติแล้วก็วก็เนี่ยก็เชื่อมได้ก็เป็นอย่างนี้เลยก็เป็นก็จะมันก็มีทั้งหมดเลยกิเลสในอดีตมีไหมกิเลสปัจจุบันกิเลสจะเกิดในอนาคตเอมีแต่เว้นไว้แต่ละได้แต่ละได้เมื่อไหร่ก็ไม่เกิดถึงมันก็ขาดเลย นี่ก็นี่ก็คือสายของปฏิจจัตติจักก็ให้รู้วงจรของเขาเอออันนี้ก็เป็นวิชาการแต่ก็ฮอันนี้ก็เป็นวิชาการแต่ว่าจริงๆก็คือเนี่ยเราจะได้เห็นใช่ไหมเราฟุ่ฟางตรงนี้บ่อยๆแล้วก็จะเริ่มเห็นเห็นสายของปฏิจจัมากขึ้นทีนี้องค์ธรรมของวิญญาณ จากกุญญาณธาตุก็คือจักกุญญาณในจิตสองเนาะเอวิญญาณหก่อนรู้แจ้งอารมณ์บอจากกุญญาณร่วมลมทางๆโสตวิญญาณการนัวิญญาณจิวหาวิญญาณกายเยาว์วญาณนี่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มโนวิญญาณร่วมลมทางใจก็คือรู้ธรรมอารมณ์จากกุญญาณโสตวิญญาณเป็นตัวอะไรนี้ทีนี้ย้อนกลับไปหน่อยว่า แง่ต่างๆแห่งปปัญญสัญญาย่อมครอบงำบุรุษมาจากคำว่าปุริสังปปัญญสัญญาสังขาสมุทาจรันติรว่างเงินส่วนแห่งกิเลสเนื่นช้าทั้งหลายย่อมครอบงำบุรุษไม่ให้กำหนดรู้เหตุนั้นอธิบายว่าย่อมเป็นไปแก่บุรุษในข้อนั้น ัาษาเวทนาและสัญญาเป็นธรรมชาติเกิดร่วมกับจักรคุญาณพึ่งเห็นวิตกในจิตที่มีวิตกทั้งหลายในระดับต่อจากขุวิญยาณเป็นต้นเหล่าเนี้ก็หมายความว่าเวลาผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีเวลาก็เกิดร่วมกับจักรคุญาณในขณะนั้นในขณะนั้ น, น, น, นกิเลสเครื่องเดินช้าทั้งหลายยังไม่มีก่อนเพราะมันเป็นไปในวิบากจิตในจักรคุญาณเป็นวิบากจิตไม่ใช่ชาวนาจิต ฉะนั้นในจิตเหล่านั้นจึงไม่มีกิเลสยังยังไม่มีกิเลสเกิดเพราะไม่ใช่ชวนะส่วนแห่งกิเลสเนื่นช้าเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับชาวนะถ้าถามว่าเวลาบอกว่าผัฏษะเกิด เวทนาเกิดนะสัญญาเกิดวิตกเกิดขอ้อผิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดวิตกเกิดแล้วเวทปปัญจะสัญญาเกิดตอนไหนไม่ได้เกิดที่จะคูญญานนะแต่มันจะเกิดในอนาคตในอนาคตก็คือเมื่อไปถึงเมื่อกระแสจิตวิ่งแล่นไปถึงชฉนนะ ไอในโชานาเนั่นแหละไอตัวปรับปันญย่าทำก็ดีปรับปันญย่สัญญรราไอสัญญาตัวปั่นก็ดีเนี่ยปั่นมันจะไปเกิดด้วยนะทีนี้ในที่นี้ก็เลยถามบอกว่า อ, อส่วนแห่งกิเลสที่เป็นเครื่องเนื่นช้าเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดกับโชานาใช่ไหมที่อกักษรสวนโชนาใช่ไหมบอกใช่ เพราะเหตุไรพระเถระเนี่ยท่านยึงถืออาการที่เป็นอดีตและอนาคตมีคําตอบว่าเพราะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็กิเลสเหตุเนื่องช้าที่เป็นไปทางจากักขุทวานเกิดขึ้นแล้วในบัดนี้เพราะอาศัยจักขคูรูปภาษาเวทนาสัญญาวิตกชั้นใดท่านพาระมหากจัยนะก็เลยก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจะแสดงการเกิดขึ้นของกิเลสเหตุหนึ่งเนื่องช้าในรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้แจ้งด้วยตาเนี่ยแม้ที่เป็นอดีตและอนาคตก็กล่าวว่าโสตะเป็นต้นเหล่านี้ ก็ในนี้เหมือนกันบัณฑิตทั้งหลายพึ่งทราบวิ่ัยตามตะวันทั้งหก็อย่างนี้เดี๋ยวอ่านอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจคือถามว่าเวลาบอกว่าจักขู่วิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่าจักขู่สัมผัสศะอาศัยตัวจักขุประสาท รูปารม์จากขูวิญญาณเชื่อมกั น, นก็เป็นการบัญญัติว่าผัสสะก็เกิดขึ้นพราะมีการกระทบการบัญญัติว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆก็เกิดขึ้นและพราะมีกา ร, กรเป็นต้นเหล่าเนี้นักเข้าแตเข้าการตรึกก็เกิดขึ้นเวทสัญญาต่างๆก็เกิดขึ้นและกิเลสกิเลสเครื่องเนินช้าทั้งหลายก็ตามมายี่เป็นต้นนจะเป็นไปในในทนองแบบนี้ แต่ถามว่าที่เรียกว่าปะปั้นจะสัญญาเนี่ยส่วนแห่งสังขารในส่วนแห่งกิเลสเครื่องเล่นช้าทั้งหลายอะไรเนี้ยพระเถระท่านสแสดงกิเลสที่เกิดในอดีตที่เคยเกิดมาแล้วที่มันเป็นความทรงจําที่เราจําไว้ในกระบวนการความคิดตลอดถึงว่าถ้ายังละไม่ได้ตราบใดแม้ไปข้างหน้ามันก็จะเกิดต่ออีกแต่ที่ท่านถือการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย เาเรียกว่าเป็นนัยยะแห่งการแสดงถ้าไปเจาะในขณะนั้นจริงๆในขณะนั้นไม่เกิดก็จริงอยู่แต่เพราะเหตุว่ากลุ่มอนุใสเนี่ยมีการบราคานุใสปฏิคานุใสเป็นตัวหะไยเนี่ยด้วยอัจจะว่ามันยังละไม่ได้มันเหมือนว่ามันนอนตามอยู่เสมอเหมือนว่ามันเกิดอยู่จริงๆเพราะคุณละมันไม่ได้ไและเมื่อได้เหตุปัจจัยขึ้นมาเนี่ย มันเหมือนว่าเราจะไปแค่แกะดูในอหัวไม่ขีดเนี่ยเราจะไปดูยังไงไปนั่นยังไงาหาไฟไม่เจอมันไม่มีเชื้อไฟมันไม่มีไฟในนั้นเลยนะเอาไปจิ้มอะไรมันก็ไม่ลุกไม่ไหม้หรอกแต่อยากให้เหตุได้เหตุปัจจัยนะถ้าไปไปถูกไปขีดกับแผ่นขีดว่าอะไรมันลุกขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยจากจากที่มันมันมันแค่กลมๆพอถูกแผ่นขีดปุ๊บมันฟูขึ้นมาแล้ว มันฟูขึ้นมามันไม่ก้นการไม่ขีดถ้าเอาไปทิ่มลงหญ้าไม่หญ้าเลยทตเนี้ยจากหญ้าไม่บ้านจากบ้านไม่เมืองขึ้นมาโอ้โหนี่เยอะแม้ฉันใดกิเลส ต, ตัวปัน่นซึ่งมันยังเป็นอนุสใสมีอยู่อย่างเนี้ยดูเหมือนเป็นคนดีกันทั้งนั้นน่ยนั่งๆอยู่เนี่ยดูเสมอเหมือนว่าจะไม่มีความโกรธใช่ไหมหน้าตาผ่องใสเลยนะเนี่ย แล้วความโกรธก็ไม่เกิดด้วยแต่อย่าเอาเหมือนเนี่ยเหมือนไอ้หัวไม่ขีดเนี่ยอย่าไปถูกับแเพนขีดนะถ้าถูกได้เรื่องนะ ล, ลองด่าทีเนี้ปึ๊ดเดี๋ยวกันเนี่ยพอได้กระทบตรงนี้ขึ้นมามันขึ้นมาอย่างไงมันเหมือนไอ้หัวมไม่ขีดเนี่ยอย่ากระทบนะถ้าไปให้เหตุปัจจัยปุ๊บหรือว่าลองเอาภาพสวยๆ ง, งามๆมาให้ดูสิ เอาเอากล้องรุ่นใหม่มาให้ดูสิมันฟืดขึ้นมาทันทีเลยนะใช่ไหมมันลุกฟื้ขึ้นมาสู่ชาวนะก่อนแล้วนักฆ้าก็พากออกมาพูดว่โอ้โหอยากได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะพูดมันจะเปล่งออกมาทันทีเลยนี่เห็นไหมมันมันมันมันวิ่งขึ้นมาอย่างนี้ฉันถึงบอกว่าเวลาท่านแสดงเนี่ยท่านแสดงว่าผัสสะเวทนา สัญญาวิตกอะไรก็แด้แต่หรือวิตกหรือสัญญาแล้วก็เข้าไปหาปรปัญญาธรรมใช่ไหมท่านต้องการพูดได้เห็นว่าแม้ในจักรควิญญาณดูเหมือนว่ามันไม่มีกิเลสหรอกแต่ว่าอนุใสกิเลสเนี่ยมันไม่ได้แฝงอยู่ในนั้นก็จริงอยู่เพราะไปแกะยังไงมันไม่มีไฟในนั้นเหมือนในหัวไม่ขีดก็มไม่มี แต่อย่าให้เกิดดับสืบตอมนะไปได้เหตุปัจจัยนะถ้าไปเกิดอโยนิโสมนัิการที่เป็นโวอดทะพนะก็ดีที่มโนทวะถ้าไปมนัิการว่า ง, งามเมื่อไรขึ้นมาเนะี่ยมันจะผุดขึ้นที่ชาวนาเลยปะปัญจสัญญาเป็นเห็นว่างามถ้าเป็นมนัิการว่าน่าเกลียดหน้าช้างขึ้นมาเมื่อไรมันจะเป็นถ้า ไ, ไหมปฏิฆาสัญญาเกิดขึ้นถ้าไปลังเลสงสยัยเมื่อไรปุ๊บาวิจิกิจฉา หรือไอ้ไอ้ตัวตัววิจิกิจฉาทั้งหลายเหล่านี้ตัวสัญญาที่เป็นกิเลสตัวปั่นทั้งหลายเหล่านี้มันจะตามมาอีกเยอะทิฏฐิมาณะทั้งหลายมันก็จะตามมาอีกเยอะเลยมันก็จะไปเกิดที่ชาวนะเป็นปริยุทธานะ ป, นปริยุท ธ, ธานะเป็นกิเลสระดับที่กุ่นในใจนะถ้ามากไปกว่านั้นผักพฤติกรรมออกมาเป็นเออเป็นวีติกมะก็คือออกมาแบบหยาบ ล่วงละเมิดมันสามระดับเนียถ้ายังดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นคนดีทั้งหลายตัวเนี้ยตราบใดที่ยังไม่กล่นขึ้นในใจก็ยังมีมโนธรรมอยู่ดีถ้าตราบใดไม่ล่วงละเมิดออกมาเมื่อไรก็ถือว่ามันเป็นคนมีกุศลกรรมบทแต่ละเมื่อไรล่วงละเมิดเห็นบอกว่าเั้นทึงบอกว่าเวลาฉันมองใครเนี่ยฉันมองไอ้คนดีเนี่ยฉันระวังตลอดเลยทุกคนแม้แต่พระ ฉันระวังว่าไม่ระวังตัวเราเองด้วยแล้วฉันก็จะเห็นปฏิกิริยามนุษย์เนี่ยมันเกิดเขาใช้คำว่าขันทสันดานก็คือการสื่อต่อกันของขนาดจิตคำว่านอนเนื่องไปนอนตามหรือว่ามันยังไม่มันยังไม่ผดยังไม่ผดขึ้ดมาแต่มันมีอยู่มีอยู่โดยฐานะวัตถิยังละมันไม่ได้แต่ไปแคะแกะยังไงก็ไม่เจอ อย่าได้เหตุปัจจัยนะเนี่ยนั่งๆอยู่เนี่ยอยังให้ได้เหตุปัจจัยนะนั้นเจอหน้าใครก็ไปบอกเขาตรงๆบอกอย่ามายุ่งเลยนะเนี่ยฉันไย่ใชคนดีนะถ้าได้เหตุปัจจัยขึ้นมายังฆ่าคนก็ได้ฉันรักก็ได้ฉันมีพุทธคิดในกามก็ได้พูดเท็จก็ได้ส่อเสียดคาหยาเพื่อเจอก็ได้อ่างั้นเดิน ได้จริงๆเป็นยงไงดื่มโซลามีอะไรก็ได้เพราะงั้นตอนนี้ที่ยังไม่ทําเพราะมันยังไม่ได้ปัจจัยยังไม่ได้โอกาสเราระมัดระวังอยู่เนี่โอ้โหตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่ระมัดระวังกลัวจะว่าความชั่วมันจะเกิดขึ้นว่าไงคนดีทั้งหลาย<อ>ไว้ใจได้ไหมท่านเนี่ย ไ, ไม่ได้บอกเขาตรงๆเนี้ยไปเจอใครก็บอก โอ้ท่านประพฤติปฏิบัติดียอมยมภพุดอาตมาอ า, ามอตมาเป็นคนที่ใครก็ไว้ใจว่าอาตมาย่งหลุดอยู่เรื่อยเลยว่างั้นนะ่ะเนะอาตมาก็หลุดอยู่เรื่อยอาตมาอยากจะเป็นคนดีเอาผ้ า, ากาศอา ภ, าภาิภัทมาข่มอันะไรมองไปมองมาเลยจิตเริ่มหยาบกับผ้ า, ากาศอาภิภัทรไม่อ่อนโยนกับรงชัยของพระรหัารแต่แล้วนะโอ้ตอนนี้อาตมาจิตเริ่มหยาบแล้วเนะี่ยยอมยมไปไกลๆอาตมาเนาะก็บอก ได้ไหมบอกเขานี่โนกระจามํา่า ก, ก็แค่มันโนถังเยอะเพราะมันมีเชื้อของความไม่ดีเยอะไหมมีเชื้อของความเลวร้วายไอตัวการมาราคาโนใสที่มันยังนอนตามอยู่ก็ยังละไม่ได้คือราคานะไอราคาเราก็รู้ฤทธิ์มันอยู่ว่าถ้ามันที่สุดจริงๆมันแค่ไหนปฏิคานนใสใช่ไหมที่มันยังนอนตามอยู่มันก็ยังละไม่ได้ ก็รู้อยู่ถ้ามันกลุ้นในใจหรือมันออกมาสุดๆจริงๆฆ่าพ่อได้ฆ่าแม่ได้ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้ทําร้ายพระเจ้าพ่อพระโลหิตก็ได้ยังสงให้แตกจากกันก็ได้ไอ้โทสะตัวเนี้ยนั่นอันตรายมากเนี่ยเห็นั้นตาบไอ้เชื้อตัวนี้มันสูงสุดจริงๆมันทําได้ขนาดนั้นเอาระเบิดไปบอมที่ไหนกัมาอย่าใ้อย่าให้เครียดกันมาแล้ว บอกเดี๋ยวพังหมดเลยนะก็เหมือย่างนี้ยังมานานเท่าไหรเนะี่ยโอ้โหมันยกตอนอย่าอย่าให้ได้เป็นใหญ่นะถ้าเป็นใหญ่ขึ้นมามันลืมตัวเลยนะเดี๋ยวมันสั่งข้าวหมาดเลยน้องอีตอนนี้มันเป็นตรงเนี้ดีแล้วเป็นนักบวช ด, ดี ย, ยใหญ่ไปเป็นอย่างอื่นนะเนี่ยโอ้โหน่าเกียดน่ากลัวเลยเนะียอย่าให้ไปย า, ายาเอายอดใจ โอ้สหยขึ้นมาเดี๋ยวไปเลยเพราะมันจะไปเอาเหมือนเอาหัวไม่ขีดไปถูกแผ่นขีดไม่เอาไม่เอาต้องป้องกันอย่าเอามาขีดเด็ดขาดนะเพราะงั้นออืตอนนี้มันยังทําลายดินประสิวไม่ได้ไปถูกแผนก่นขีดขึ้นมาโดนลุกพวดขึ้นมาแล้วโอ้โหมานาขนานุสัยมันยังมีอยู่อยู่ทิฏฐานุสัยยังมีอยู่ไหมโอ้โหยังมีอยู่จะไม่ น, นอนตามอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะพวดไปจนเหตุโอกาสที่เถี่ยปฏิเสธ อริยะทิฏฐิปฏิเสธการการกระทําเลยแล้วก็นัตดีกาทิฏฐิมันจะเห็นโรคนี้โรคน้าคุณของพ่อแม่ไม่มีต่อมันจะไปขนาดนั้นนี่นต้องใช่ไมโอ้โหมันพวดไปได้ไหมเห็นไหมนั้นต้องบอกว่าโอโ้เรามีอนุสัยพวกนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็อะไรเพราะว่าราคานุสยัยติดในภพไ ง, งใช่ไหมไปไปอยู่ในขันติดขันอยู่ในภพติดภบ ไปเกิดเป็นอะไรนานๆเ น, นีโหจะชอบใจในเรื่องนั้นใช่ไหมเลี้ยงหมายอยากเกิดเป็นหมาเลยเลี้ยงแมวอยากเกิดเป็นแมวเลยหมาวิ่งมาไม่ได้จะเล่นกับมันอยู่เลยโอ้โหเไว้ใจได้ที่ไหนใช่ไหมมันกระทบแผ่นขีดเมื่อไรอ่ะมันได้เหตุปัจจัยเพราะจากเพราะจากขรูประสาทรูปารมใช่ไหมจากกุญญาณประชุมกันเมื่อไรปุ๊บถ้ามันต่อมาเพราะภาษาเกิดขึ้นเพราะเวทนาเกิดขึ้น เอาแล้วเริ่มสุขทุกข์ึ้นมาแล้วมิตกเกิดขึ้นประปันจะสัญญาเกิดขึ้นโหหมา น, าน่ารักจริงอา่ามกเลยดูมันไวขนาดนั้นนะเอาวิธีการทำไงล่ะก็เอาเจาะตาให้บอดเลยได้ไหมนี่ใช้วิธีการปฏิบัติไมไม่ใช่ไม่ใช่วิธีนี้เพราะว่าราคานุสัย ใช่ไม mm hmm. เกิดได้อีกเอาวิชานุสัย oh. โมหะไงมันยังไม่เกิดใช่ไหมไอความโมเมาลุ่มหลงเนี่ยตอนขณะที่การเห็นแรกๆก็ดีหรือปัจจุบันในเวลากุศลเกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันด้วยการละไม่ได้แล้วนึกโอ้โ oh. หตอนนี้เราคิดอะไรออกวนเลยว่างั้น <laughs> อมองอะไรทะลุทะลวงหมดมีความเข้าใจอย่างดี พอเผอแว บ, บเดียวแค่นั้นพอไปได้เหตุปัจจัยพอจากโมหานุสัยกลายเป็นปริยุทธานะกุ้มลุมในใจลองอะไรไม่ออกแต่นี้เพ้อเชอออกมาเล่อยเลยพวลังเลสงสัยฟุ้งซ่านไปใหญ่เลยทอนี้แล้วออกมาโอ้โหโดนครอบงำต่อเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีอนุสัยอยู่ตามใดเป็นกลุ่มบุคคลที่ไว้ใจได้มั้ยนี่แหละ ท่านต้องการชี้อย่างนี้แหละนี่อธิบายโดยรวมอ่านไปมันไม่เข้าใจอ่านแล้วจะยังไง ร, รูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งโดยตาแมา้ทั้งที่เป็นอดีตอน า, าคตเจิงกล่าวว่าโสตะโสจาลุโ ส, โสเป็นต้นกรณีนี้เหมือนกันบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในถวานทั้งหกทั้งต่อไปนี้อย่างนี้ผมนะแต่เนี่ยที่อ่านที่อธิบายมาทั้งหมดเป็นมนันทํานองแบนี้ที่อ่านเล็บกบางกระดาดูสูตรอยู่เป็นนิ่ม ปปันจะสัญญาสังขารเขาแยกอธิบายอย่างนี้นึงะปัญจะสัญญาก็หมายถึงสัญญาที่ประกอบไปด้วยกิเลสเป็นเหตุเนื่นช้าเนี่ยคือตัณหามนาทิฏฐิคําว่าสังขารเนี่ยหมายถึงแง่ต่างๆปปันจะสัญญาสังขารจึงแปลว่าแง่ต่างๆแห่งสัญญาอันประกอบไปด้วยกิเลสเป็นเครื่องเล่นช้าแง่ไหนบ้างเงีแง่ต่างๆในแง่ของในแง่ของตัณหา ในแง่ของมานะในแง่ของทิฏฐิในแง่ของการที่เขาไปเกิดร่วมกับโลภะโทสะโมหะในแง่ของการทํปาปฏิบาตในแง่ของทําอธินาทาอะไรอย่างเงี้ยมันในแง่ต่างๆส่วนต่างๆมากมายมใช่ไหมเนี่ยสังขารศัพท์นั้นเป็นลักษณะอย่างนี้คําว่ามานะเนี่ยมัน น, ะนังได้แก่ผวังกจิตเนะี่ยคําว่าธรรมารม์ ธรร ม, มีธรรมะตัแก่ธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามก็ชื่อว่ามนโนวิญญาณมนโนญาณ น, นังอาวชนะจิตโชานาจิตเมื่อพระโยคาวจรยึดถืออาวชนะจิตอาวชนะจิตก็หมายความมโนทวารลาชนะมโนทวารลาวชน ะ, น ท, ะชนะทีนี้เมือ่อ ผัสส า, าเวทนาสัญญาวิตกย่อมเกิดร่วมกับอวชนะจิตคืออย่างนี้เดี๋ยวเอาวัเากเคได้มาจะทําทให้ดูตรงดีต้องเขียนให้ดูนี่เดีย๋ยวมองไม่เองนตรงนี้จะมาให้ตัว นี่เตือนเป็นผวังผวังก็จะแล้วนะผวางกุปเชทยธาณิมโนเนาะเนี่ยอวัชรจิตคือตัวนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นชาวนะเนาะมโนโทวาราวชระใช่เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เป็นชวนะไอตัวตัวผัสสะเวทนาตัวเวทนาตัวสัญญาตัววิตกที่เกิดร่วมอยู่ในนี้น เกิดร่วมกับมโนทวะวัชนะอวัชนะตัวนี้เห็นไหมตัวผัสสะก็ดีตัวเวทนาก็ดีสัญญาหรือวิตกเป็นต้นหรือเจตสิกอื่นที่เกิดร่วมนี้นะในนี้ยังไม่มีกิเลสเกิดพอทำมนัิการไม่ดีเป็นอโยใช่ไหมเจ้าค่ะอโยนิโสนี่ยอโยนิโสมนัสการเพิ่งไปใส่ใจผิดจากตรงนี้แหละเช่นน้อมไปในของที่ไม่งามว่างามตรงนี้โลภะชดนะก็เกิดขึ้น เนี่ยไอตัวปปันจะสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องตั้นหามนันเกิดเนี่ยทิทีกะมานั่งมเกิดร่วมหนึ่งที่ชาวนานี้แต่มันต้นสายปลายเหตุมาจากตรงนี้จากนนจากภาษาเวทนาสัญญาและวิตกการตรึกไปในทางที่ไม่ดีทั้งหลายหนึ <Okay. S 1> ไปตึกว่าไม่งามเออโลภะก็เกิดตึกไปในความเครียดความปวดโทสะก็เกิดตึกไปในการเลียดเบียนก็มองเห็นหรือยังนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ ฉะนั้นเมื่อพโยาคาวาจรยึดถือชาวนาจิตผวังกจิตที่มีความพร้อมกับอวชนะย่อมเป็นมโนเนาะจากผวังกจิตก็เป็นมโนทวารแวนชนะเมื่อผวังดับไปคือเป็นมโ น, โนต่อจากนั้นภาษาที่เกิดร่วมเป็นต้นภาษาเวทนาสัญญาทั้งหลายวินวิตตกเป็นต้นทั้งหมดย่อมเกิดร่วมกับที่เกิดร่วมกับชาวนะทั้งหลายเหล่าเนี้เมื่อเกิดดับสืบเกิดร่วมกับอวชนะพอเกิดดับสืบต่อเบ็ยเสร็จปุ๊บ เขาก็ไปเกิดต่อในชาวนะเขาอีกในชาวนะก็มีภาษาในชาวนะก็มีเวทนาในชาวนะก็มีสัญญาในชาวนะก็มีวิตกและที่มากกว่านั้นคือในชาวนะนั้นดันทิฏฐิขึ้นมาด้วยดันมานะขึ้นมาด้วยดันโลภะขึ้นมาด้วยอยู่ตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นปะปญจะสัญญานะธรรมที่เป็นเครื่องเนื่นช้ากิเลสทั้งหลายเป็นเครื่องเนื่นช้ามันก็เลยกลุ่นในใจเป็นปริยุทธานนะ แต่ถ้าผาักออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาขึ้นม า, มมาเป็นวิติตรกรรมมาถ้ายังไม่เกิดขึ้นถ้ามันอยู่ในอยู่ในมโนทวารโลชนะที่เขายังไม่เกิดขึ้นอันนั้นเป็นอนุสัยหรือถ้าหากว่าเป็นกุศลชาวนะแต่อกุศลชาวนะยังไม่เกิดแม้กุศลเกิดอนุสัยก็ยังมีอยู่ในฐานะที่ยังที่คุณยังละไม่ได้ใช่ไหม ไม่เห็นปัจจัยไม่เห็นปัจจัยเด้อจากนั้นเขาถึงบอกโ อ, โ, โอ้โหใช่นั่นอย่างหนึ่งแต่มันมากกว่านั้นด้วยในอดีตอิกเยอะมากมายเป็นปัจจัยได้หมดและอย่าลืมนะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ยบรรดาผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีเขาไม่ได้เป็นกิเลสหรอกสัญญาก็ไม่ได้เป็นกิเลสหรอกวิตกทั้งหลายก็ยังไม่เป็นกิเลสนะเพราะเขาเป็นกลุ่มอัญญสมานะแต่พวกเนี้ย เขาเคยมีความคุ้นเคยกับตเนามล้ที่ถีแนดีดมาเขาเคยคบกันมาก่อนรัดปัดเบียงกันมา <laughs> เข้าใจกันมาเข้าใจยัง <laughs> เขาเขาโอเคกันมาแล้วดัง <c oughs> <Z> นั้นเวลาเวลาเขาเราจะเรียกเขาให้มาอยู่ร่วมกับศรัทธาทั้งหลายอลไรเนี่ยมาอยู่ร่วมกับกุศลทั้งหลายเนี่ยเขาก็มางั้นเนี่ยเกงใจว่าคุณต้อง สามารถจริงๆต้องกล่อมเขาอะกล่อมเขาบอกเหตุบอกผลเขาชัดจูงเขาเอาเขามาเป็นพวกแล้วก็เลี้ยงดูเขาอย่างดีไม่ให้เขากลับไปทรยศเนี่ยหรือไปไปเปิดประตูให้ข่าศึกเข้าอะไรเงี้ยพวกนี้ทำได้ไหมล่ะเพราะไม่อาศัยเขาเราก็พ้ทุกไม่ได้ตัวกล่อมคือเจตนาั้งจัดทธา โลภะอโทสะตัตตละมชัตตากายะบัดทั้งหมดเลยทั้งเจตนาทั้งไอเจตนาเขาก็เขาก็ถูกคุ้นเคยกับปัญญธรรมมากเลยไหวไหมต้องบอกว่าเนี่ยที่เอามาเลี้ยงๆดูทั้งหลายเหล่านี้ต้องคอยแนะนำตลอดนะถ้างนั้นเดี๋ยวมันกลับไป ว็ บ, บเดียวเผอไม่ได้นี่นนเผอได้ที่ไหนจะเอามาบวชแล้วเลยแล้วนี่อย่าไปเผลอคนน้ปล่อยอยู่คนเดียวตายเลยเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วต้องคอยมาบอกแล้วบอกอีกอบอกแบบนี้แสงอีกเดี๋ยวเอาวิธีใหม่ยากจริงเห็นยัง ไม่เคยรู้เลยขนาดนี้เลยใช่ไหมถ้าไม่รู้ไม่ต้องพูดเรื่องละแค่รู้จากเขาที่กระยุโอ้โหขนาดนี้เลยแม่เดีกเขาเคยคบกันมาไหมเขาเป็นท่ากันเขาเขาจึงเรียกว่าปะปันจะสัญญาเขาใหญ่ยังพอพูดถึงปะปันจะสัญญาเอาสัญญาเป็นประธานเท่านั้นเอง เยติิษตัวอื่นเขาก็เคยสมาคมกับตันหามนาัสติถิถึงนั้นใช่ไหมภัสสะก็เคยสมาคมกับที่ตันหามนาัสติถิเวทนาก็สมาคมกับตันหามนาัสติถิสัญญานี่ไม่ต้องพูดถึงบอกตัวเขาอยู่แล้วเจตนาเอกคักาตาชีวิตจุนทรีมนสิการวิตกวิจารณ์อะธิโมวกบุริยะปีติฉันทะ กลุ่มเจตสิกรธรรมเหล่าเนี้ยเคยสมาคมกับตันหามนานะทิธิแล้วเป็นพวกเดียวกันอีอ้ อ, อกันมากตันหามนานะทิธิพานท์พนน์กันมาเป็นเพื่อนล่มร่มเป็นล่มตายกันมาฉะนั้นเวลาเราเรียกเข้ามาให้ใ ห, ให้ทานเขาก็สั่งมาบอกไปให้ทานรีบกลับนะอย่าไปเชื่อใจมากนะพวกนี้เดี๋ยวจะพาเราหลงทุ่งหลงทางอะไรย่างนี้นะ งั้นเราจะเรามีงานนักเลี้ยงนักหลังสารกันเยอะอย่าเลืมลูกซะแล้วอย่าลืมบ้านซะแล้วเราไปเยอะหมดทีนี้เข้าใจอย่างหนึ่งงั้นบอกรายละเอียดเราเยอะหมดเลยว่างั้นเถอะญาตแค่นั้นแค่นี้ที่มันล็อกพอหลังจากเราไปแต่เดินกลับมามันบ่นใหญ่ทําไมไม่ดูไวลล็อกเวลา นหกลับหกโมงแล้วหนึ่งหนึ่งโทรบอกว่าสวดมนต์ยังไม่เสร็จสวดอะไรกันนะกันไหน <c oughs> ไปสร้างไว้ทำไมอตีเนี้ยเห็นไหมมันเหมือนคนจาบ้านเขาที่ไหน <c oughs> เหรอเหไหมแลรอ <c oughs> แล้วผ้ามาอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> มันดูที่จะจะทำอะไรก็ขวางไปหมด <c oughs> มองเห็นไหมเลรอไม่ง่ายหรอก <c oughs> นี่แหละ เพราะเคุ้นเคยเขามีพวกเยอะเป็นกค น, นันนะนี่ก็ให้เข้าใจเขาอย่างนี้น ะ, ะพระเทรซเนี่ยเมื่อจะแสดงวัตตจึงแสดงว่าเขาว่าโสวตาอุโสจากบัญญัติผัสสะจากบัญญัติซึ้นผัสสะ อย่างนี้ว่าทำอย่างหนึ่งชื่อว่าภาษะ ย, ย่อมเกิดขึ้นทำอย่างหนึ่งชื่อว่าเวทนาย like ่อมเกิดขึ้นเนี่ยการกระทบเกิดขึ้นมาเนี่ยก็บัญญัติวันนี้คือภาษาพอมีความรู้สึกสุขทุกเฉยๆทำอย่างนี้เรียกว่าเวทนาพอรู้สึกตรึกขึ้นมาทำอย่างนี้เรียกว่าวิตกแล้วก็มีความจํากําหนดหมายขึ้นมาทำอย่างนี้เรียกว่าสัญญานี้เป็นต้น และวพอสัญญาหรือสภาพจิตเจรศิกเหล่านั้นไปเกิดร่วมกับตัาณหาแล้ินะที่ทำเหล่านี้เรียกว่าปปัญจัธรรมธรรมที่ทําให้เนิ่นช้าหรือว่ากว้างขวางมากวิตฐานมากพิสดารมากเป็นกิเลสตัวปั่นทําให้วุ่นวายในสังสารวัฏไม่จบไม่สิก็บัญญัติอย่างนี้แหละทีนี้กิเลสเหล่านี้มันอาศัยการกระทบกัน ร, ระหว่างตากระสีซ้ำ โหกระเสียงเป็นต้นอะไรนี่ก็คืออายตนะภายในภายนอกเลยมีการมาเจอกันเมื่อไหร่ปุ๊บผัสสะเกิดทุกทีอายตนะภายในภายนอกเจอกันเมื่อไหร่ปุ๊บผัสสะเป็นตัวเชื่อมพอผัสสะเชื่อมที่ไรเวทนามาโผลหน้ามาพอเวทนามาพบความรู้สึกเกิดมาพบเดียเด๋ยวเดี๋ยวสัญญามาพอสัญญามาพอตึกมาเป็นกามาวิตกตึกมาเป็นพยาบาทวิตกตึกเป็นวิหิงสาวิตกโอ้โหตามมาอีกเยอะเลย เนี่ยมันเจอกันไม่ได้เลยอายัดอาญาตนาภายในอายัตาะภายนอกมันที่เป็นที่ประชุมเลยนะเป็นที่ประชุมเห็นการวางแผนในการที่จะยืดเยื้อในสังสารวัตเป็นที่เชื่อมต่อทําให้สังสารวัตยืดเยื้อทําให้เกิดเจตสิกเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางพิสดารเลยโอโหเราจะว่ายังไงมันเป็นอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายพระเถพรัก็ตอบอย่างเนี้ยท่านเห็นนี้ยังว่าวัฏทุกข์มันยืดเยื้อเป็นแบบนี้พระเทพรัก็ตอบนี่ก็พอพูดไปแล้วมีรถอร่อยไหย ทำมาเทศนานี่โอ้โหมีรสอร่อยมากท่านขยายพระเทเรซก็เลยตอบปัญหาส่งปัญหาเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายอย่าเป็นผู้สงสยัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงถือตราชั่งนะคือพระสัพพยุตยานประทับนั่งแล้วว่าไงนท่านทั้งหลายผู้ต้องการจงเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้น จงเป็นผู้หมดความสงสัยในพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะใช่ไหมพระพุทธเจ้าบัญญัติสิ่งเหล่านี้มาภาษาพันยุตยานที่บัญญัติหรือเลือกสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยไม่ใช่ตืกคิดขึ้นมาเองมันมีอยู่จริงนะธรรมะเหล่าเนี้ยเป็นสภาวธรรมแท้ทๆว่างั้นทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายทั้งอายตนะภัยในอายตนะภายนอกประชุมกันพอประชุมกันมีการเชื่อมโยงกันเป็นภาษาจากภาษาเป็นเวทนาจากเวทนาเป็นสัญญาเป็นวิตรก เป็นการมรรตพยาบาทที่ต่อกนะโอ้โหมันเลือดเยื่ออย่างนี้ว่างั้นเถอปะปปันจะทำในอดีตมันมันมันเข้ามาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อกันรายการทั้งหลายอลไรเนี้ยท่านทั้งหลายจงไปเภาพระเจ้าฟังจากพระเจ้าพระเจ้าแสดงแบบนี้แหละว่างั้นเถอะข้าพเจ้าก็ น, นําคําเหล่านี้ของพระเจ้าที่มับอกให้ท่านทั้งหลายว่างั้นเถอะไม่เชื่อท่านไปถามพระเจ้าดูนะพอจบเหมื่อพระพากไปถามพระเจ้าพระเจ้าโอ้ท่าพระเจ้าสแสดงก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนมีต่างกันเลยไม่แต่คําเดียวว่างั้นเถอะเข้าใจอย่าง พระเถระท่านฉลาดมากเราแสดงแสดงเกสเรื่งเลื่องช้าก็คือวัตฏะพอแสดงวัตฏะเบเสร็จปุ๊บท่านก็แสดงวิวัตฏะคาถาว่าจะออกอย่างไงใช่ไหมจะจะออกอย่างไงเป็นผู้ประกอบเป็นเป็นบัณฑิตเงเอาละเนีทีนี้ลักษณะของบัณฑิตบัณฑิตโตเป็นยังไงหนึ่งฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปัจจัยาการฉลาดในเหตุและไม่ใช่เหตุโอ้โหเรื่องยาวเลยทีนี้ ปฏิจจสมบัตฉลาดในธาติก็บอกจักกูธาตุรูปธาตุจักกูญาณธาตุจักกูธาติก็จักกูประศาสตรรูปธาตุก็รูปารลมจักกูญาณธาตุก็คือจักกูญานฉลาดในอายตนะก็คือจักขายตนะก็คือจักกูประศาสตรรูปายตนะก็คือรูปารมมนายตนะคือจักกูญานเนี่ยแต่ละทวารก็ไล่ไปเใช่ั้นต้องฉลาดตรองงั้นนะใช่ไหม เป็นบันณฑิตต้องฉลาดนะมองในแง่ธาตุก็เห็นว่านี่คืออะไรมองในแง่อายตนาก็เห็นมองในแง่ปัจจัยาการก็ได้ใช่ไหมพอมันเกิดกรณีอย่างผัสสะเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นปัปปัญจสัญญา ต, ต่างๆเกิดขึ้น พอตันหาพอพอตันหาเกิดขึ้นตันหาเป็นปัญญาเกิอุบาทานอุบาทานเป็นญาเก่ดพบพบเป็นญาเกิดชาติชาติเป็นญาเกิดฉามรณะโสกับวัเทวทุกขโทมนะสาร์ปายาตมองให้เห็นตลอดสายเห็นไหมมองในแง่ธาตุคุณก็ต้องเข้าใจนะมองในแง่อายตนะคุณก็ต้องชัดเจนนะต้องฉลาดมองในแง่ของปัญญาการก็ต้องเข้าใจนั่นแหละหลักปัญญาการเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นยังไงแม้จะฉลาดมองในเหตุ แล้อันไหนเป็นเหตุอันไหนไม่ใช่เหตุอันนี้เป็นเหตุอะไรเนี่ยเป็นกุศละเหตุอกุศละเหตุดยังไงเป็นเหตุแห่งสุขหรือเป็นเหตุแห่งทุกข์เอาละอันนี้เป็นสมุทญาตสัจจะใช่ไหมเป็นเหตุแห่งทุกข์อันนี้เป็นมรรคสัจจะเป็นเหตุแห่งนิพพุนพพานคุณต้องฉลาดในเหตุท่านจะประกอบเหตุผิดพลาดนี่เปปัญหาหนึ่งยุ่งมาเต็มทกวันเนี้ยพระเถระก็บอกเข้าใจไหมก็คุยกันอย่างนี้แหละมาสนทนากันก็คุยกันนี่ทำไมล้วนี่ฉลาด เป็นผู้มีปัญญามากนะพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบไปด้วยปัญญามากทีนี้พระเถระก็เป็นผู้มีปัญญามากแนะม้พุทธเจ้าเป็นต้นที่สามารถจําแนกอัฏฐามากธรรมะมากนิรุตติมากปฏิพานมาก <cle anse> เหมือนกับพระมหาการะจายนะนี่แหละว่าไงพระมหาการะจายนะตอบ ป, ปัญหาโดยประการใดก็ทรงหมายถึงการตอบปัญหาใ น, นตัดว่าพระมหากัจจายนะตอบ ป, ปัญหาแม้ชั้นใดแม้เราก็จะตอบปัญหาอย่างนั้นเหมือนกันไม่ต่างกันเลย ฉะนั้นไปคุยกับท่า น, ทนพระเทเรซคุยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องเดียวเวลยพระเทเรซเก่งมากในการขยายคือว่าเทเรซเนี่ยพระมหากรใจนะท่านจะเก่งในการเทศกถาวิจิตพูดได้วิจิตพิสดารมากคือสามารถแยกอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศแค่อุเทศตุบเนี่ยท่านไปขยายประดุจเหมือนพระพุทธเจ้าขยายขยายลงรายละเอียดไนดะ้เพราะบางคนต้องขอรายละเอียดใช่ไหมฟังแค่อุเทศไม่เข้าใจอ่ะ พอลงรายละเอียดปุ๊บโอ้โหโอเคโอเ ค, โอเคเข้าใจแล้วแกะแกะมุมได้เงี้ยเ ป, นนเป็นดีเป็นกรมนเพราะฉะนั้นแหละถ้าสูตรสูตรเนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นมัทุปปินทิกังเป็นขนมหวานมากเป็นเหมือนขนมสตัตตุที่ปรุงอร่อยแล้วพอกินปุ๊บมันจะชื่นชูใจมากรสที่ปรุงดีแล้วเนี่ยโอ้โหอร็ศอร่อยแบบนั้นเด้ เหมือนกับอาหารที่มีทั้งน้ำอ้อยน้ำพึ่งน้ำตาลกรวดเป็นต้นอะไรเนี้ยเป็นสิ่งที่น้อยไปแต่อันนี้ยิ่งกว่านั้นอีกงั้นบุคคลที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายในเวลาไปเจาะเนื้อหาธรรมะเหล่านี้พระเถเรสก็ปรุงวิธีการให้เห็นให้เห็นในกุมอกุศลธรรมนะกลุ่มกุศลธรรมนะั้นให้เห็นรายละเอียดโอ้โหพระเหล่านั้นก็ได้ดื่มด่ำทำอรรถกันเหมือนที่พวกเรากินกันนี่ใ ฟังแล้วอยากนิพพานเลยอยากเนี่ยเป็นต้นอกอ่อนหวานเหมือนขนมหวานเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเธอจงทรงจำธรรมปริยานี้ว่ามัทุปปินทิกะปริยาญะนั่นแหละทีนี้ว่าสัญญาทั้งหลายแม้จะไม่ครอบงำพรามนั้นผู้อยู่ปราศจากการรมทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยตัดขนองความขนองได้ ผู้ปราศจากความทยานอยากในภพน้อยภพใหญ่แล้วและตรัสแก่ภิกษุต่อไปว่าแง่ต่างๆเห็นปะปันจะสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีในเพราะเหตุนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานก็เลยพูดถึงอนุสัยทีนี้ท่านก็เจาะเรื่อง การมาราคานุสัยความกำหนัดในการปฏิคานุสัยความหมุดหงิดความไม่พอใจทิฏฐานุสัยก็ความเห็นผิดวิจิกิจฉาหนุสัยความลังเลสงสัยมานานุสัยความถือตัวเพราะว่าราคานุสัยความติดในพบอวิชานุสัยความไม่รู้แจ้งนี่แหละเมื่อมีอนุสัยเหล่านี้อยู่ตราบใดยังละการมาราคาปฏิคาทิฏฐิวิจิกิจฉา มานะเพราะว่าราคะอวิชายังละอนุสัยเหล่านี้ไม่ได้เอาอนุสัยเหล่านี้ยังนอนเนื่องนอนตามติดกระแสะชีวิตขันธสันดานสืบต่อไปอย่างไดกระแสะชีวิตสืบต่อไปอย่างไรอนุสัยก็ยังตามติดอยู่อย่างนั้นแหละฟางกันเลยพอได้เหตุปัจจัยขึ้นมาก็ปุ๊บเป็นปริยุทธานนะจากปริยุทธานนะก็ออกมาเป็นวิติกามะมันก็ตามกระแสะขันเลยมันเหมือนในนี่แหละ มันไม่สามารถแกะหัวไม่ขีดนออกได้ตราบใดไอ้การไม่ขีดนั้นไม่ปลอดภัยในการไม่ขีดนั้นมัมีโอกาสไฟลวกมือที่ไปจับก็มีปัญหาโดนไฟไหม้หญาเอ่ยไม้เอ่ยบ้านเรือนทั้งหลายเหล่านี้มีโอกาสใช่ไหมฉะนั้นจงมนสิการทําสัญญาว่าเราจะต้องละอนุสัยให้ได้ถ้าตราบใดยังละไม่ได้เดือดร้อนแน่เดือดร้อนไหม เวลามีใครมาบอกว่าโอ้ท่านเป็นคนดีอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพอะพูดว่าดีเท่ะไรเนี่ยมานานุสัย์ของอาตมามันฟูขึ้นในทุกทีแล้วาตาหนิท่านแย่จริงๆริอย่าพูดนะพดี <laughs> เดี๋ยวก็ปฏิปฏิฆานทศัตริยมันฟื้ขึ้นมาอีกแล้วมันเครียดไงใช่มหมยกย่องก็ไม่ได้ตําหนิก็ไม่ได้ ถ้าเฉยๆเอาไม่ได้อีกเดี๋ยวโมห า, าหนุสัยเอาวิชารณุสัยความมึนความงงก็เกิดอีกถามลแล้วตกลงเราจะพูดกระท่านยังไงนี่เพราะว่าราคาเพราะว่าราคาทุสัยที่พูดว่าอะไระความติดในภพยกตัวอย่างอยากเกิดเป็นมนุษย์อือยากเกิดเป็นเทวดานยอยากถึง เ, เป็นพรหมถามว่าเราเวลาเราอยู่ในสถานะไหนเราพอใจไหม เรายึดติดในสถานะนั้นมันไปถามที่ขอทานเนี่ยเพราะว่าเขาโคตรสบายเลยว่าเขาอยากส่นนักมันามมันดีอะไรจะสบายเท่าเขาติดติดในพบมันไปเกิดเป็นอะไรติดไปสมาคมกันอะไรติดหมดไปเสพอะไรติดหมดเสพบุหรี่ติดบุหรี่เสพยาติดยากินข้าวติดข้าวใส่เสื้อผ้าติดเสื้อผ้า แม้ตัดผมทรงนี้ยังติดเลยเนี่ยสบายเกินคนอื่นสู้เราไม่ได้นี่เป็นมาน า, นานุสัยขนาดนั้นเลยเนี่ยอเป็นมาน า, นานุสัยอีกเยอะมากเหตุ น, นั้นจากอนุสัยเหล่านี้นะาระงับไม่ได้ทำไม่ดีเบียดเ็จมันก็กุนในใจจากการกุนในใจเอาแล้วถือสาตว์ตราบางการทะเลาะ บ, บางการแข่งแย่ ง, ก, งการวิวาท การส่อเสียดยุโยงการกล่าวเท็จบาปตุลอาธรรมมันมากมายก็เกิดขึ้นแต่เมื่อฉลาดเนี่ยดเนินไปตามมรรคาของพระคินเจ้าฉลาดในท่าฉลาดในอายตนะฉลาดในปฎิยาการฉลาดในสิ่งที่เหตุและไม่ใช่เหตุและดําเนินไปตามมรรคาที่ถูกต้องอนุสัยเหล่านี้ก็ลังงับเมื่ออนุสัยเหล่านี้ระงับปริยุทธานอนุสัยก็ไม่เกิดปริยุทธานุสัยไม่เกิด การวิวาทการแข่งแย่งกันด่าทอการส่อเสียดทั้งหลายก็ดับไปโดยไม่มีเหลือพอเหตุนั้นแหละที่จริงอนุสัยที่พระเจ้าตรัสในมัทุปปินทิกาสูตรนี้พระองค์แสดงถึงผลของบุคคลผู้ที่ไม่ถูกไม่ถูกสัญญาครอบงำก็จะพ้นจากอนุสัยเหล่านั้นได้ถ้าไม่ถูกปัปันจะสัญญาครอบงำเมื่อไรเขาก็จะพ้นจากอนุสัยเหล่านั้นได้ใ น, ใ, นในครั้งนั้นพระเจ้าแสดงแค่อุทเทศ พอแสดงหัวข้อไปเสร็จปุ๊บก็เลยหน้าที่การขยายความก็เลยเป็นหน้าที่ของพระมหากัจยานะเาจนี่เป็นอย่างนี้แหละทั้งอายตนะเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้จริงๆก็แจกแจงแยกแย ก, แยกอายตนะทั้งหมดอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อผัสษะ เพราะอาศัยตาด้วยรูปและรูปนีทั้งหลายเกิดจากคูณยานเวลามันมาประจวบกันขึ้นมาทำสามอย่างนะตารูปจากคุณยานมาประชุมกันนั่นแหละภาษานั่นคือภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเมื่อบุคคลสวยเวทนาใดก็รู้สึกรู้สึกจ<ำ>ําจําในเวทนานั้นจริงไหม สวยสุขเวทนาก็จำความสุขนั้นเวยทุกเวทนาก็จำความทุกนั้นเวยษฐเบขาเวทนาก็จำอุเบขาเวทนานั้นบุคคลรู้สึกซึ่งเวทนาใดตรึกมะก็ตรึกในเวทนานั้นเนี่ยดีจริงๆกับนึกกับเจ็บปวดจริงๆอีกคนนึงก็รู้สึกเออแซงจริงๆเฉยเฉยอะไรเงี้ยนะมันเอาสีถ้าลอง อยากจะให้ใครจาเราเราก็ให้จาแบบไหนไปทำให้ก็เกิดสุขเวทนาเพราะคนนี้ให้สุขเวทนาเราให้ทุกเวทนาได้ไั้ยให้เวขาวเวทนาให้เขาลังเลสงสัยเป็นต้นก็ได้เนี่ยก็ตรึกในเวทนานั้นเมื่อบุคคลตรึกอยู่ณเวทนาใดย่อมประพฤติซึ่งความเนื่อช้าอยู่กับเวทนานั้นติดไหม วนอยู่ไหมสุกจริงจริดีจริงๆสวนนี้สุดยอดบ้านนี้ดีวนทุกมากคนคนนี้ทําเราได้ยังไงทำไมถึงทํากันอย่างนี้เอเขาเอาวยังไงกับเราเนี่ยบงนี่ทาถูกไม่ถูกไปใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเนื่นช้าในเวทนานั้นบักบุคคลที่ประพฤติเนื่นช้าอยู่ด้วยเวทนาใด สัญญาก่าวคือ ป, ปัจจัยสัญญาซึ่งเป็นอนุสัยชนิดต่างๆอันเป็นเครื่องทำความเนื่นช้า ป, ปัจจัยสัญญาสังขารย่อมกุ้มรุมบุรุษนั้นด้วยมีเวทนาเป็นเหตุรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยตาทั้งที่เป็นอดีตน า, นาคตและปัจจุบันเป็นไปด้วยอาการให้เกิด ป, ปัจจั สัญญาแบบนี้เห็นไหมว่าไอ้ตัวกรณีที่บอกว่าปปันจะสัญญาสังขารในแง่ต่างๆมันกุ้มรุมบุรุษนั้ น, นโดยสายเวทนานั้นเป็นหู่ใช่หบางคนก็ได้สุขเวทนามาเนี่ยปปัญจะสัญญาสังขารในแง่ของสุขเวทนาในเรื่องใดอะในเรื่องจากการเห็นเห็นอะไรอะ เห็นเห็นอะไรเห็นเห็นสีของรถติดรถเห็นสีของบ้านก็ติดวนอยู่ในบ้านเห็นสีของบุรุษติดในบุรุษเห็นสีของสตรีติดในสตรีเห็นสีของตู้เย um uh ็นติดในตู้ไฟใหญ่เลยทีน um ี้วนตึกอยู่นั่นแหละติดอยู่นั่นแหละว่างั้นจะมาเห็นไหมปปันจะสัญญามันก็เกิดขึ้นอนุสัยชนิดต่างๆทั้งการมราคานุสัยติดบ้างปฏิคานุใสก็มา มานานุสัยทิฏฐานุสัยโอ้โหอีกเยอะมากการมาราคาปฏิคาเพราะว่าราคานุสัยจะถึงอวิชานุสัยไหลมาเป็นแถวเป็นแนวเลยทีนะี้มันเป็นการถูกกระตุ้นขึ้นมาเป็นรูยุทธจากอนุสัยปริยุทธฐานะจากปริยุทธฐานะเป็นวิติกรรมะวนอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสามวนไล่วนเยอะเลยเพื้องปงูอันนี้เป็นปปั้นจัดสัญญาเริ่มเข้าใจยัง เอนี่แหละในแง่ต่างๆปปันจะทำในแง่ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนั่นแหละเพราะอาศัยเพราะมีเวทนานเป็นเหตุนี่แหละก็ฉลาดในเหตุและฉลาดที่จะไม่ไม่ใช่เหตุเพราะไปทําเหตุอย่างนี้เพราะมีเวทนาเป็นเหตุอย่างนี้ตัณหาบ ร, รรณทิฏฐิปปันจะทำอย่างเกิดขึ้นอย่างนี้แต่เมื่อมีสติสัมปชัญญะกํากับอยู่เป็นต้นเหล่าเนี้ยเมื่เวทนาเหล่านี้เกิดขึ้น ก็ไม่ตามมาได้ปัดปัญจสัญญาดับดับอนุสัยได้ดับดับตัญหาดับปัญประปัญจะทำได้แล้วก็ดัดดับต้นตอมันได้มันก็ไม่กุมรวมมาเป็นปริยิฐานนะไม่เป็นวิติกามะแล้วก็มีการทะเลาะเบาแว้นแก่งแย่งหรือทุบตีกันอย่างนี้เป็นต้นมองเห็นีหยเนี่ยมันมันมันถ้าเจาะอย่างนี้จะเริ่มเห็นพวกทวา จริงๆพระเทลราแสดงทุกทวาเลยเนี่ยไล่ฟังป๊อปๆ๊อปปอไล่มันทุกมุมเลยโอ้โหไพเราะมากทำไม่ได้เท่าท่านกานแสดงโอ้โหไพเราะมากเนี่ยคำว่าประปันญอย่าสัญญาสังขารกุ้มรุมบุรุษนั้นใช่ไหมกุ้มรุมบุคคลนั้นถามว่า เราชอบประพติเนื่อช้าในสุขเวทนาไหมหรือชอบประพืชเนื่อช้าในทุกเวทนาหรือชอบประพืชเนื่อช้าในเวขาเวทนาและสุขเวทนาในสีหรือสุขเวทนาในเสียงหรือสุขเวทนาในกลิ่นสุขเวทนาในรสสุขเวทนาในผลอภารือสุขเวทนาในธรรมารมณ์จิตกลุ่มจินตนาการในแง่ต่างๆเยอะไหเยอะมากแล้วแล้วชอบประพติเนื่อช้า โดยอำนาจปะปัญจะทำกับทุกขเวทนามี้่างไหม <S <S ทุกขเวทนาในสีเสียงกินรสปวดตาว่าแล้วทำอารมณ์แล้วเบคขาเวทนาในสีเสียงกินรสปวดตาว่าแล้วทำอารมณ์โอ้โหในตัวปะปันจะทำปะปัญจากเวทนั้นบุคคลเนี่ยเมื่อประพฤติเนิ่นช้าอยู่ได้เวทนาใดปะปัญจัดสัญญาคืออนุสัใส่ใช่ไหมพอเป็นเนิ่นช้าอยู่ได้เวทนาใดเนี่ยเช่นไปได้สุขเวทนาปุ๊บ เอาแล้วอนุสัยได้อาหารเลยได้เลยใช่ไหมไปกระตุกมันหนึ่งพอเออการมาราคานุสัยพุ่งพวดมันโอ้โหหมุนปุ๊กแตงบางคนก็พอการมาราคานุใสมันหายไปปัิขาตสัยเสีย <laughs> แต่ก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่มีใช่ไหมแต่ก่อนนั้นไม่ได้มีตาแบบนี้นะไม่ได้มีหูแบบนี้ไม่ได้มีจมูกแบบนี้ไม่ได้มีลิ้นมีกายแบบนี้แต่ก่อนตาฉันก็งามเห็นความงามก็หายไปกินอีก <laughs> มันหายไปหมดแล้วตัวนี้เหลือใครก็ไม่รู้โอ้โหไปน้าที่ไหนตัวเองยังดูตัวเองยังรังเกียจขนาดนี้เห็นที่อะไรทุกเวช น, นากินไม่รู้จะไปรักษาดีนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้แหละเห็นยังเออพระสูตรนี้มีรสอร่อยจริงๆนะ <c oughs> หอมหวานเนะี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นนี้นี่เป็นแบรักษณในอย่างนี้ เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเพราะอาศัยปปันจะทมเหล่านี้ในการประชุมโอ้โหไม่ทันจบได้เยอะเนื่องจาตอนบ่ายน้เนี๋อวจาตอนบ่ายจะขยายถึงการแต่ละจุดแต่ละทวารพอขยายแต่ละทวารเบีดเสร็จปุ๊บแล้วมันเกิดยังไงแล้วจะดับยังไง